สามท่านเพราะนะนั้นพระสมัยปัจจุบันอารมณมุม่งร่วมไม้เป็นพิเรศชั่วการที่ออกภาษาแล้วมาเข้าภาษาก็อันงมีที่มุงที่บงังมุมบงบังก็เพอมุงบังแดดผลไปเพื่อจบดงเป็นสมณธรรมสะไรในข้้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนม์พาพาสาวกทั้งหลาย อยู่บำเพ็ญในที่เช่นนั้นสถานที่นั้นทั้งโลกไม่ไม่รู้หลาถือว่าไม่รู้หลาแต่ทางด้านธรรมะแล้วคือสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่รู้หลาเพื่ออเพื่อทำ ร, อรู้หลาในทางด้านอัดทำเพราะทำกับโลกต่างกันถ้า ทำเป็นแบบโลกแล้วทำก็ไม่ใช่ทาต้องกลายเป็นโลกไปหมดทาคงเป็นธรรมโลกเป็นโลกด้วยมาก็เพราะความแตกต่างกันจึงได้ให้นมามว่าโลกและธรรมฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติจงอย่าลืมว่าคำว่าธรรมกับโลกนี่อาศัยกันอยู่ก็ไม่เหมือนกัน ความคิดของนักบวชกับความคิดของคราวาสตัวทั่วไปนั้นไม่เหมือนกันที่จะแสดงออกทุกอย่างจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นแบบทำอยู่เสมอความคิดเรื่องอะรก็ตา่างซึ่งเคยคิดมาแต่ก่อนที่เป็นใสของฆราวาสหรือของโลก เขามาบวชในศาสนาแล้วความคิดต้องเปลี่ยนไปหมดทียาอาการต้องเป็นไปนเรื่องตามเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็คือเรื่องสำลักสาสามจิตโลกรวงดังมนพานในใจซึ่งส า, มมา่งมาเป็นนานานั้นแหละด้วยเห็นนี้ทุกอากับทียาแห่งการเคลื่อนไหวจึงเป็นการสำลักสะ ส, าสาม สิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะถือเอาความท้อถอยแอบมาใช่ันั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักธรรมของผู้บำเพ็ญเพื่อการชำระสาสาอย่าลืมตัวในตอในตอนนี้ซึ่งไม่ไใครคิดกัน สิ่งที่ศปกทั้งหลายมันเป็นพื้นภายนในจิตใจแล้วโดยไม่ต้องหาการหาเวลาเป็นเวลาสถานที่อียบทมันก็เป็นสิ่งที่ศพ ก, กอยู่ภายในใจประจำตัวอยู่แล้วแต่การชำระภาษาขงเรานั้ยมันมีมาได้เป็นบางการบางเวลา เพื่อจะให้ทันกันกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจแล้วมงควรตั้งหลักลงภายในตัวเองเสมอด้วยอาการผู้สำลักสติเป็นพื้นนั้นสำคัญที่จะช้าล่างสิ่งที่เป็นพื้นอยู่ภายในใจปัญญาื่องแพร่ฐานแพว ถ, ถางไปเรี่อย นี่แหละที่ว่าพุทธังสังฆังสนงาาังกระฉามของวเราท่านดําเนินดำนั้นท่านไม่ลืมเนื้อลืมตัวความไม่ลืมเนืลืมตัวก็คือไม่ลืมธรรมนความลืมตัวก็ความดีก็คือความลืมธรรมแ่ะทําลายตัวเองในขณะที่ลืมตัวภ<อ>าพีจกำลังา ย่อมไม่ใช่ต่อการบำเพ็ญคือไม่คล่องตัวแต่จะทำยังไงต่างองค์ก็มีจิตใจมีเจตนามเหมือนกันเท่าที่ผมรับมือเพื่อนไหวด้วยความขัดข้องในใจบ้างก็พอคิดเห็นเรื่องเจตนาของผู้มาศึกษาและเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาแล้ว เวลาส่อเสแสรงหาขู่หาจยา์แทบเลือดตากระเด็นเราก็เป็นผู้ไม่ดีไม่สามารถพึ่งทวยได้อยู่แล้วไปส่ส่อเสแสรงหารู่หาจยา์ที่ไม่สะดวกทางตาทางหูเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่คมคืนน กับหลักธรรมหลักข้างในเราก็ไม่สนิทใจทต้องสอบเสวงหาให้เป็นที่จุใจให้เป็นที่พอใจเป็นที่ตายใจได้เพื่อความหวังพึ่งท่านนี่จึงเป็นการลาบากมาแล้วเมื่อมัดพิเศษหมู่เพื่อนซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเน่าจะเห็นว่ามีมากพอจําจเป็นต้องถืนเอาบ้าง เนี่ยเท่าที่เพ<อ>ื่อนมีจำนวนมากในลำดับขึ้นมาก็เพราะความรู้สึกอย่างนี้ของผมเองการธรรมดาแล้วมีน้อยนั่นและสะดวกเล้กอิกทุอย่างคร่องตัวจะมีกับขอหัวใจหลายดวงที่มีเจตนาอย่างเดียวกันมารวมกันจึงให้คิด เห็นใจแต่และดวงละดวงเทียบตัดส่วนให้ได้ท่านกับเรายายมันขัดมันคล้องกันพระปฏิบัติขัดคล้องกันแม้เพียงเล็กน้อยมันก็เหมือนผงเข้าตาน้อยกว่าตามผงแต่ลงได้เข้าตาแล้วเป็นความขัดคว้องมาก คารวาสเขาทินงชาเรื่องอย่างนั้นมันก็เหมือนกับหลังอย่งนี้มันเองมันดาไปหมดผมไม่ทราบอะไรสกรปรกอะไรมาถูกมาเปื้อนไม่รู้มันดาเหมือนหลังเหมือนผู้ปฏิบัติเพื่อชำระสะสารสิ่งที่สกรปรกนะั้นย่อมเป็นเหมือนผ้าขาวถูกอะไรแปดเปื้อนก็เด่นมากเห็นชัด ขัผมกัตาขึ้นทันทีพระนปฏิบัติเรามีความขัดข้องต่อกันซึ่งไม่ใช่เกียรตินาของผู้ปฏิบัติเลยนั่นจึงเป็นสิ่งที่ขัดข้องมากแม้นิดหนึ่งก็ขัดข้องมากกระเทือนไปทั่วทั้งวัดจึงพากันต้องลวนระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนดีมากไม่สมควรที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติ เฉพาะอย่างนี้แม่คิดกินปัญญจิตใจก็ให้รีบระงับดับมันทันทีว่านี่คือฝืนคือไฟนอกจากเผาตัวเราที่ก่อเป็นแล้วยังจะลำบากสาปแชายไปเผาลดนหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้รับความเดือดร้อนและกระทบกระเทือนไปไม่มีประางานอีกด้วยมันต้องระวังให้มากอยู่ด้วยกันด้อ ก, อกความเป็นธรรม มีเหตุมีผลในการคิดการพูดการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีเหตุผลคือหลักธรรมแล้มองกันในแง่ดีเสมอในแง่เป็นธรรมนั่นแหละคือแง่ดีแง่เหตุผลนและแง่ขงความเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอความถือผล น, นั้นผิดคนนี้ถูกจนเป็นอารมณ์ของใจนั้นก็คือถือฝืน ถ, ถ, ถือไป สำหรับผู้ถือแค่นั้นนั่นะความถือความคิดนั้นเป็นความผิดสำหรับผู้คิดผู้ถือนั่นแทนที่ผู้ผู้ที่ตนเข้าใจว่าผิดนั้นจะผิดกลับมาเป็นผู้คิดผู้ถือนั้นผิดซะเองยังต้องอะมาระวังอันแก้พิเลศมันเป็นเจ้าอำนาจ ของวัตถิติวัดตะวนันภายในจิตก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เก้ยากลำบากไม่แก้ยากไม่ลำบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทุ่มเททัศนติกำลังความสามารถรุ่ยมาจนลึกถึงขั้นแห่งความเป็นศาสดาแม้ึะนั้นขณะที่สอนลกก็ทรงลำบากลำบนไม่น้อย เพิ่งมารางวันประนิ้ผนเพราะิเรสเป็นสิ่ที่เหนียวแน่นมั่นคงมากดังที่เคยพูดอยู่เสมอมาไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมและแยบคายในอุบายต่างๆที่จะหลอกรวมจัดโลกให้คล้อยเคติมและหลงตามไปได้เหมือนที่เหลสเิยถ้ามันมีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่า มีอันเดียวเท่านั้นเป็นจามน้าครอบโลกธาตุโดยที่โลกทั้งหลายซึ่งถูกมันครอบนำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามันครอบนำละเอียดขนาดไหนฟังเอาต่อเมื่อมีอาจมีธรรมเขาแทรกมันจะรู้ได้ว่าสิ่ง น, น้้าผิดสิ่ง น, นี้ถูกหากไม่มีธรรมแล้วไม่มีทาง ตลาตลอดอ น, นันตการก็เป็นเรื่องนั้นนีการต ร, รัสลู้ของพระพุทธเจ้าจเป็นเรื่องอัจฉริย์มหัศจรรย์ไม่มีใครรู้ได้อย่างนั้นเลยพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถรู้ได้เราได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาเป็นประจำอยู่แล้วเท่ากับล้างมือเปิเปอนยังจะไม่ได้เรื่องเลยเราเ จะหาของดีของดีสาระคุณมาจากไหนทำไมสว่วนขาตัดธรรมนั้นใครกล่าวได้เหมือนพระพุทธเจ้ามาตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรมาชอบหัวใจมันผิดเต็มดวงแล้วจะ อ, อะไรมาชอบมากล่าวชอบทำชอบพระพุทธเจ้านั้นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งถอน มันกลินไม่ดีทั้งหลายหมดโดยที่จรงถึงมีแต่ท่าธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆในประเทศไทยมีตราตออกมาด้วยความรู้ความเห็นทั้งเหตุทั้งผลที่ชอบแล้วภายในประเทศไทยจึงเป็นความชอบไปหมดในบรรดาธรรมที่แสดงออกูนำมาปฏิบัติถือเป็นความลำบากลาบนแล้วมันก็หมดทันทาง เพียภพักง่ายพยายามตะเกียบตะตายแม้ผู้มาบวชต้วงเวลาเพียงเล็นกน้อยก็อยาให้เกี่ยววินลัเวลากำลังวังชาที่เราประกอบการงานทั้งหลายก็อเคยได้ประกอบมาแล้วงานทางด้านจิตใจซึจ่งเป็นงานอัตถสมบัติสมบัตทั้งตนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องควรจะให้มีเวลาเวลาทำเดิกถึง เวลาจำเป็นจำใจการหน้าการหลังให้เป็นที่อบอุ่นภายในใจสงสัยอะไรก็ถามหมูเพื่อนหนังสือก็มีอยู่มากสหลับวันนี้เทปก็มีอยู่มากที่แสดงไว้แมะผมไม่ได้แสดงให้ฟังด้วยปากเทปก็ออกจากปากออกจากธรรมของพระพุทเจ้าอยู่แล้ว นำเทปนั้นไปฟังม เ, เหมือนแทนองศาสดายเลยเพราะนั้นก็สุขาจะทำเหมือนกันการแสดงมาทั้งมวลผมเรียนหมู่เพื่อนโดยทรงว่าผมไม่ได้สงสัยว่าจะผิดไปในการแสดงทำไม่ว่าทำในขั้นไหนคือไหนในแสดงออก ความจริใจทุกอยาก่างทิ้งแน่ใจในธรรมทั้งหลายที่สอน ม, มุกงนดมวอยมาเจของเองก็ได้ดำเนินอย่างนั้นหากจะรู้จะเห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นลองดูเอาคิดเหตุ ก, กับธรรมให้แข่งกันี้อะไรจะเด่นให้เห็น เ, เหตุเห็นผลในดวงใจของเราคิดเหตตัวดู ร้ายโหดร้ายพาลุณเหยียบย่ำทำลายก็ทำลายที่ใจเหล่านั้นดูที่ใจเหล่านั้นเห็นได้ชัดชัดทำที่จะแก้ก็แก้ที่ใจสติปัญญาเป็นเครื่องบูมบกกันทนสำคันทาความเพียรที่สาก พ, พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้กินให้จ่ายให้ได้เห็นลิฏฐภัยอยู่ในดวงใจมาเป็นเวลานานก็ให้เห็นด้วยธรรม ด้วยสติปัญญาของเราละก็ให้เป็นละเห็นได้เห็นอย่างชัดๆในใจของเราเมาื่อละกิเลียดได้แต่และประเภทประเภทหรือกิเลสแต่และประเภทเบาบางลงไปปรากฏความเด่นของจิตคุณค่าของจิตคุณค่าของธรรมอย่างไรบ้างภายในใจต่างกันไหมกับเรื่องของกิเลสคลองใจกับธรรมคลองใจต่างกันไหม จะเห็นที่ดวงใจนั้นอยาไปคาดไปหมายที่ดงมมักผลุพานการสถานที่อยาคาดหมายให้เจวิ่ําเวลาแล้วเสียท่าให้ยิเหล็กซึ่งไม่มีการสถานที่เวลัมเวลาใดๆแต่เหยียบย่าาําทําลายจิตใจของตัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาการประกอบความภาคเพื่อจะชาระสิ่งเหล่านี้ยิงไม่หัวควรอ้างการสถานที่วเวลัมมิลาไม่ใช่เป็นเรื่อระหรือ ท่ากิเลสแต่เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสโดยสายเดียวเท่านั้นถ้าเห็นคำว่าประสริฐต่อพทธเจ้ประเสริประสริที่ตรงไหนกิเลสไม่ได้พาคนประเสริฐทำต่างหากพาคนให้ปรสริแล้วความท่าทอนแแไม่สามารถจะยังคนให้ดีได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรสาพยายามแล้วความโง่ก็เหมือนกัน่ะ พระธเจ้าไม่สอนให้โลกทั้งหลายงู่ดจะสอนให้ฉลาดทันคุณมายาแห่งความมู้ของตนต่างหากทำความปรียาผมจะให้การรวมหมู่บ้านตามเวลเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เพราะเพราะภาระก็ออกมากสุขภาพก็ลดลงลดลงทงจะให้เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้ แต่ก็ยังดีที่ได้มีเทศให้หมู่เพนได้ยินได้ฟังเสมอตามจากความต้องการจะฟังมากน้อยไม่ว่าประชาชนที่มากเกี่ยวข้องหรือว่าเพื่าอาศัยเทส ฟ, ฟังแทนผมเองดึงสุขภาพเวลา น, นี้ไม่อำนวอยแล้วมันก็ดูเฉียงนั้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้แน่ใจเลย โลกหัวใจนี้ตายได้ง่ายมากที่ดูเมื่อวานีโพรงผมผม ย, ยังเป็นอยู่ภายในเดีย๋ยมันจะเป็นเป็นอย่างไรคู่เดียวขอวัดปฏิบัติให้ดูผู้ดูก่อนผู้มาใหม่ให้ดูศึกษาทุกนี่ทุกมุม ทางตาขอให้สังเกตจอดรู้หูให้ฟังใจให้คิดจิตการทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นความจําเป็นของพระเราทุกองค์ของทุกชิ้นในวัดสถานที่นะในวัดเป็นธุบัติของเราแต่ละท่านละท่านที่จะต้องเก็บกดระมัดระวังรักษาด้วยกันความสามัคคี คือทํามันมีกําลังมากทําเป็นเครื่องที่รยามกันนักกันให้มีความผาสุกร่มเย็นต่อกนันคือว่าเป็นภาระของเราแต่ละองค์ละองค์ที่จะจัดจะทําจะเห็นว่านั่นเป็นจิตทันนี่เป็นจิตของเรานั่นเป็นเรื่องนิสัยของโลก ว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีว่าก็ดีนะดีทางกิเลสแต่ทําไม่ปรากฏเอาตัวรอดนั้นกหมายถึงการดําเนินตามธรรมตเจ้าตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แบบกวามคิดของโลกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจเจ้ารอดไปที่ไหนเขาทุกข์แล้วก็ทุกอยู่โดยดีพก็อาศัยกันอยู่ ในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็จะมาปบาทที่วัดตามประเพณีของเขาที่เคยที่มาดั่งเดิมเป็นอย่างนั้นคนเราก็ดูก็ระุ้คนมามากน้องวันสิบโมงก็เริ่มแล้วคนแน่นบินรบาดกับคนไม่โตกก็บินระบาตรอบสลาดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีการรั บ, บาตจะไปมองดูหน้าคนทั้งรวมระหวัง ไม่ว่าดบินสะบัดในบา้านบินสบัด ท, ที่ไหนหิ บ, ะบจะวตรอย่างการทั้งรวมเป็นสมบัติประจำตนยาได้ปล่อยวางดูในบาทพิจารณาในบาทปฏิสังขายุทธาตุปฏิเวคขันนึ่งนะครับจะถาปฏิยังกับปฏิสังขาคล้ายๆกันแต่จะพิจารณาเป็นธาตุเมื่อกธาตุทั้งหมดตัวเราก็ธาตุ ให้บาทที่ถืออยู่ก็ธาตุข้าวก้อนข้าวก็ธาตุคนมาใส่บาทก็ธาตุพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธาตุไปหมดพิจารณาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะจริงอันนี้เป็นพื้นเพย์อยู่แล้วที่จะให้ตีแผ่ไปในแง่ต่างๆเพื่อเพื่อไม่ได้มีอัดมีอั้งพิจารณาต่ได้ตามแง่ความสนาิหนักเบาของผู้พิจารณาหน้าที่ คนนั้นหน้าที่เขาหน้าใจบาทรเขาก็สะแสวงหาบุญหาบุญ เ, เป็นความชอบทานและดีงามของเขาหนึง่งเวลาบินธบาตเป็นวดัดเปนหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปหาข้าวมากินดีเลยนั่นไม่เรียกว่าวาดัดมันก็ไม่แปรแตกต่างจากโลกเขาไปหากินบางทีงงคว่าบินธบาตเป็นวดัดก็คือมีข้อวัดปฏิบัติประจําตนอยู่ตลอดเวลาในเวลาบินธบาต ท, ท่านจะเรียกบินธบาตเป็นวดัด สังรว ม, ม, มระวังพิ้งพิเกนเป็นความเพียรไปในการบินธบาตนั้นเรียกว่าบินธบาตเป็นวัดนีบินธบาตแบบโลเลโลกเียเลที่ยวโลกอาหารอัน น, นั้นก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์จะเรียกว่าบินธบาตได้งไงโทษสัตว์เขาทำบุญให้ฐานมากน้อยก็ได้บุญได้กุศลจริง เพราเราเป็นธรรมบินธบายก็ม่ ไ, ด, มาาไ ด, ด้ไปด้วยความโลเลในอาหารไปด้วยจิตววัฒนไปด้วยความมีสติมีธรรมภายในใจมีความเพียรประจำตนนั่นคือบินสัตยโดยแท้เราจะว่าโปวดสัตว์ก็โปวดเรานั่นเองสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องยังติดคล้องอยู่ใน ข, าน ข, อ ข, อขา่ายอยิิเลตมันครอบหัวใจอยู่นั้นบินสบายเป็นวัดปวดสัตว์ก็คือกแก้ ที่ขัดข้องภายในจิตใจเป็นระดับหนึ่งผลประโยชน์ที่จะให้เกิดจากเกิดแก่ประชาชนญาติโยมนั้นถ้านเราทําอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ก็กระจายไปได้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะเป็นโปวดใครจะโปวดเจ้าของก็ไม่ได้เจ้าของก็เป็นรรตัตตาแปลว่าพูดยังติดยังข้องเหมือนกัน แ้วไม่สนใจจะแก้ตัวเองเลยหรือจะไปแก้ใครไม่ได้เพราะว่าเจ้าหรือสาวุคท่านปวดสัต์ท่านปวด ท, ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นไาเรื่องปวดสัตว์ภายนอกไปล้วนๆไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังตั เ, เป็นสมานานั่นจะทับสนะสนังการเห็นสมณะผู้ระงั บ, บดับกิเลสบาปทาทั้งหลายภ า, ายในใจแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดนะ อันกล่าวว่าในมงคมสามยี่สิแปดประกาศเห็นชมนาณนะแล้วยิ่งเขา้าปากเขา้าโลกนันชมนาะอะไรชมนาแต่ผ้าเหลืองห่อร่างยเฉยๆในตลาดอดอย่างเมื่อไหร่ผ้าเหลืองนะมันสำคัญอยู่ที่พู้คลองผ้าเหลืองเลยโทษตัวเองให้ได้ พปตัวเองได้ก็โปวดคนอื่นได้มากน้อยถ้าปวดตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้อะไรเพราะเราไม่มีอะไรแม้แต่ภายในสวงเราก็ไม่มีที่จะได้เสวยความสุขความสบายความร่มเย็นเป็นสิทแล้วจะเอาความดีไปให้คนอื่นได้รับได้อย่างไรไปโปรดใครหน้าปรดเจ้าของก็ไม่ได้พอโปดวดเจ้ของได้แล้วการโปรดคนอื่นนั้นมันเป็นไปตาม ทำ ต, ตามกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกโลกกับใจเพราะทำไม่ใช่เรื่องใจดำน้ำขุนผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมแผ่กระจายไปด้โดยหลักธรรมชาติโดยอนุมาิไม่ต้องบอกความเมตตาสงสารหากเป็นมาเองถ้าจิตมีธรรมแล้วเป็นนั้นถ้ามีกิเลสถ้ามีกิเลสกงกันข้ามกลับเป็นความเห็นแก่ตัวโลกมาก เอาลัดเอาเปรียบอืโกงรีดไถมันอะไรแล้วแต่จะได้ทานอะไรี่เลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำํำกงข้ามกงข้ามไปเลยเห็นท่านกับเรามีน้ําหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันเบียนเบียนกันไม่ลงกระทาต่อผู้อื่นก็เท่ากับกระทำต่อตนเองนั้นคําว่าปานาติปาเจ้าเลยแล้วมือจะขาดมาติยาน ห้าแ ม, มา่ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับห้ามให้ทำลายเราไม่ให้ฆ่าเราไม่ให้เบียดเบียนเราได้ไงเพราะมันเป็นองค์อวัยวะที่รักสวนเหมือนกางเขนจะฆ่าคนอื่นได้ลงคอทำลายเนี่เบียดเบียนคนอื่นได้ลงคออย่างไง <c oughs> เมื่อฆ่าหรือทำลายเบียดเบียนตัวเองไม่ได้นะอานา น, นีกระเทือนโลกานานๆเลยแต่โลกไม่ได้มองเห็นเพราะที่เด็ดมันปิดไม่หมด ให้มองเห็นคุณค่าของกลกันทั้งสัตว์ทั้งบุคยลมีมีมันเสกขึ้นมาว่าเรามีคุณค่าคนเดียวเท่านั้นทั้งทั้งเดียวสายสัตว์โลกอยู่ล่ไปหญิงในป่าคนเดียวในที่ไหนคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนันติดตัวขี้ขาดมากที่สุดแต่เวลามาอยู่ก็เพื่อนฝูงก็ก็ไม่เห็นแต่หน้าใครทั้งนั้นเยียบย้ยมันลายไปได้แหลบเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นกลับโค้งข้างโค้ ง, โงข้างชวนทางกันเลย กหงเกศมันปลอมน้อยปรดเน่งธรรมะมยิงน้อยปวดเพ่สวนทางไปได้เวลาได้ละกำลังได้